เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่สายของคุณคิงนะครับคุณคิงมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาจากน้องกิ่ครับเป็นเรื่องราวของบ้านพักข้าราชการที่หนึ่งก็แล้วกันฮะเรื่องของตึกแสดครับ เดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้รอการติดต่อไปที่สายของคุณคิงสักครู่เดียวนะครับชื่อนี้ก็การันตีนะครับว่าโอโ้มาแต่ละทีนี้หาความผิดหวังไม่มีนะฮะสําหรับสายของคุณคิงนะครับแล้วตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เรียบร้อยมาปิดท้ายกัน ที่เรื่องนี้ครับเรื่องของตึกแฝดกันครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แท้ครับอ๋อนะฮะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคุณคิงจ๋าตอนนี้ผมเข้ามาเอาพระมาถวายที่ประจวบแล้วเพิ่งมาพักกรุงเทพนะครับอ๋อจากประจวบนี่คือเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพหรอครับแล้วก็จะมาสั่งน้ํายาที่จะไปปั้ น, น, นพระต่อโอ้โหเสียงคุณคิงเหมือ น, เ ห, อนเหมือนเหมือนเคลียรเหมือนเหนื่อยไม่สบายไหมเนี่ย อ๋อไม่ครับก็ผมมีอาการเจ็บคอมาัประมาณสออาทิตย์แล้วพี่แต่ว่ามันก็ดีๆขึ้นการระนนดับแล้วครับอ๋อโอเคไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเยอะนะคุณคิงนาครับผมนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น้องกิถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคุณคิงได้ฟังใช่ครับน้องกินี่เป็นเพื่อนในเฟต ใช่ครับอยู่เมกาตอนนี้อ๋อโอเคนะครับเรื่องของปึกแฝดที่ว่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านพักราชการที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณคิงเชิญเลยเรื่องนี้นะครับมันก่อนจะไปถึงตัวตึกแฝดเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นของน้องเขาอยู่นิดนึงว่าน้องเขาเนี่ยจะเริ่มสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ยมาตั้งแต่สมัยที่เด็กครับคือ ที่นอที่ลาที่บ้านน้องเเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านขายอาหารเขาต้มพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็จะเป็นร้านที่ขายดีมากถึงขนาดที่ว่าต้องต่อโต๊กันไปเนี่ยสี่ห้าช่วงตึกเลยนะครับคือเป็นตึกเป็นอาคารอาคารที่ติดกันแบบใหญแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเรียงเป็นโต๊ะไงแล้วลูกค้าก็เยอะมากแล้วอยู่กันทั้งหมดสี่ชั้นอันนี้ในการอยู่กันทั้งหมดสี่ชั้นเนี่ยอชั้นล่างนี่คือแล้วกลับเป็นร้านเป็นอะไรปกติแต่ลงชั้นลอยเนี่ย จะเป็นชั้นลอยที่เป็นอ่าพ่อแม่ของน้องก็อยู่แล้วก็พอขึ้นมาที่ชั้นสอ ง, งก็จะมีอีกครอบครัวหนึ่งอยู่เป็นคนงานในร้านพอขึ้นมาชั้นสามก็จะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งอยู่แต่ครอบครัวของคชั้นสามจะเป็นครอบครัวของคนที่เป็นคนทําครัวออืนะฮะก็ให้เรียนสามส่วนชั้นสี่เนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บของที่เก็บของปกติออื huh. แต่ทีนี้ว่าจุดมันอยู่ตรงชั้นสามเนี่ยเพราะชั้นสามเนี่ยส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีใครอยากขึ้นไปเพราะว่าบรรยากาศมันจะแปลกชั้นอื่นคือไม่ว่าจะอาคัรในในหน้าไหนก็แล้วแต่หน้าร้อนเหนืออะไรก็แล้วแต่จะอยู่ตรงไหนเราทั้งแต่พอขึ้นไปในชั้นสามเนี่ยชั้นหนาว <c oughs> หนาวจนคนไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะ <c oughs> แล้วมันก็ให้บังเอิญว่าในบ้านเขาเนี่ยจะเห็นบรรยากาศของผู้หญิงบางคนที่ชอบมาแบบแปลกบางทีก็มาโผล่ตามประตูบางทีก็ เ, เดินรับเข้าห้องครัว <c oughs> โดยที่หาสาเหตุไม่เจอแล้วเป็นกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนลา คนงานใหม่มาคนงานเก่าที่อยู่จะออกไปจะเห็นอยู่ตลอดแต่ยังไม่เคยมีใครเจอจะ๊กะอือจนวันนึงเนี่ยครอบครัว ข, ของคนคนหนึ่งที่ที่เขาเป็นเป็นคนครัวซึ่งอยู่ชั้นสามนะเขาก็ลงอาสามอาสามีเขาเนี่ยลงไปทากับข้าวส่วนคนเป็นผู้หญิงเนี่ยจะอาบน้ําอยู่ชั้นสามและทีนี้ในวันที่อาบน้ําเนี่ยคือสำหรคนอาบน้าเขาปิดปิดเท้าน้ําปกตินะพี่แจ๊คแต่การที่อาบน้ําสระผม ยาสัผปก็กาลังเต็มหัวอยงเงี้ยเขาก็เริ่มเปิดน้ำํำลดยาสับปูนออก อ, อีกมือหนึ่งก็คว้าสบู่แต่คว้ามไม่เจอไงเพราะเราคือแค่เอื้อมอ่ะของมันอยู่ใกล้ๆเรารู้อยู่ทุกวันอ่ะถ้าจะต้องมาฟอกสบู่ต่อแต่น้ํานี่ยังลดหน้าอยู่นะแต่ทันทีที่เขาคว้าไปเนี่ยแทนที่จะไปเจอไอ้ตัวรองรองสบู่นะที่ท อ, อยู่ในข้างน้ำนะกลับไปเจอเป็นมือมือหนึ่งส่งสบู่ให้เฮ้ย <Hey. S 2> คือเหมือนรับสบู่จากมือคนความรู้สึกมันต่างกันเลยอ่างจา ก, กาที่คว้าไปเจอเองกับมีคนส่งยัดใส่มือใ เขาก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ตกใจครับออกจากห้องน้ําสภาพนั้นเลยนะโอ้ถ้าห่อตัวแล้วก็ลงไปชั้นล่างครับ<อ>เรื่องนี้ก็เล่าให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังทุกคนก็บอกว่าทุกคนเจอเหมือนกัน<อ> เ, เหมือนกันอืมอืมแม่ของน้อ ง, ของเขาก็เลยในเมื่อฟังปัญหาแล้วทุกคนแบเนี้ยก็เลยตัดสินใจไปทําอะไรสักอย่างนึงคือในเมื่อจะอยู่ด้วยกันก็อย่าให้มีปัญหา เลยไปจับคำทุกตามาตัวหนึ่งแล้วไปทําพิธีมาว่าให้ให้อยู่ที่ทุกตาเนี่ยนะแล้วยกห้องในชั้นอ่าชั้นสามได้ชั้นสองเนี่ยให้เลยหนึ่งห้องแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยนะครับให้เขาอยู่เลยอะใช่ ไ, ไปใช่ครับให้หร่อนะ่ะทุกคนก็จะเห็นเป็นเงาเดินขึ้นเดินลงหมดเดินขึ้นเดินลงมาตลอดอแต่ทีนี้ปัญหาอยู่นี้ว่าเขาไม่จบตรงแค่นั้นครับเขาจะเดินเดินเดิน ทำให้ทุกคนนเห็นเนวัตรงนู้นแวัดตรงนี้บางทีปิดร้านไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าชั้นชั้นชั้นลอยซึ่งเป็นชั้นของคุณพ่อแม่ของเนี่ยมันเป็นกระจกจะมองลงมาข้างล่างได้และถึงข้างล่างมันจะมืดยังไงแต่มันมีไฟถนนส่องเข้ามาเงี้ยตามรวยประตูที่มันเป็นแบบประตูเลื่อนลงอ่ะเขาจะเห็นเป็นผู้หญิงเดินอยู่ข้างล่างบ้างอะไรบ้างเขาก็สังเกตจนเช้ามาก็ถามเมื่อคืนมีใครลงมาไหอทุกคนก็บอกไม่มีใครลงมาหรอกโดยทับ โดยเฉพาะกับหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวอย่างเงี้ยจะไม่มีใครไปไหนสิขนาดวา่าคนงานทุกคนต้องเอากระป๋องเข้าไปฉีในห้องะไในในห้องตัวเองครับ <c oughs> ไม่กล้าออกมาเข้าห้องน้ำฝั <c oughs> งืี <c oughs> แล้วทุกทุกทุ ก, ท, กทุกวันที่คุณแม่ของน้องเขาเนี่ยเข้าไปทาํทาความสะอาดในห้องที่ยกให้ตุ๊ ก, กตาตัวนี้อยู่ให้ให้ดวงวาณผู้หญิงคนนี้อยู่เนี่ยเรื่องมันแปลกก็คือในบ้านทุกคนจะผมสั้นหมดครับ <c oughs> ยาวสุดแค่ปากบ่แต่คุณแม่เขาจะเจอผมที่ยาว ประมาณกลางหลังอืมทุกวันเลยในห้องนั้นหมายถึงว่ามันร่วงอยู่ใช่ครับอื้ทงทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปแล้วเขาก็ทำความสะอาดทุกวันแต่มันก็มีผมทุกวันเหมือนกันอแล้วถามว่ามีใครเข้าไปไหมก็ไม่มีและถึงจะมีก็ไม่มีใครผมยาวขนาดนั้นครั บ, รบก็เลยหาคําตอบก็มาถึงตรงที่ว่ากลุ่มของเด็กคือน้องเขายังไม่โตมาตกในตอนนั้นประมาณสิบตนต้นสิบต น, ต, นต้นนะฮะอายุสิบตนต้ น, ตน ก็จะมีกลุ่มของเด็กที่ชอบมารวมตัวกันครับเด็กตามบ้านพักอย่างเงี้ยมารวมตัวกันแล้วในกลุ่มของน้องเขาในเจ็ดแปคนเนี่ยก็จะมีแต่แบบเข้าๆตรงนั้นแล<ม>้วน้องเขาก็เป็นผู้หญิงที่ที่เข้าๆทนๆเนี่ยเกล็นเหมืองเด็กผู้ชายครับก็จะคุดมึงกูกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างสนิทกันเพราะจะเจอกันน่าจะเจอกันทุกๆปีเถอดแต่ ตอนตาก่อนหน้านั้นที่ไปมาทุกครั้งเนี่ยไม่เคยสัมผัสอะไรนะครับ<ม>แต่กสถานการณ์ที่เริ่มสัมผัสกับที่บ้านเนี่ยพอมาครั้งเนี้ยมาที่พักของบ้านพักราชกา ร, รั้งเนี่ยมันต่างออกไป<ม>เพราะว่าในขณะที่เขาจับกลุ่มเล่นกันเนี่ยในตอนเย็นในช่วงเวลาเย็นมันก็จะเป็นเวลาช่วงเกือบค่ําแล้เพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนน้องเขาบอกว่ากว่าจะออกจากบ้านได้ต้องทาการบ้านก่อนอ<ม>แล้วก็กินข้าวก่อนคุณแม่เหมียวยอมให้ออกมาวันอื่นก็จะเป็นปกติรวมตัวกันแล้วเล่นไม่ไม่ดึกมากและกลับ แต่อเอิญวันนี้วันที่น้องเขาเจออาการ น, นี่ยมันเป็นวันศุกร์ซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอเคไม่เรียนใช่ไหมจะทําอะไรทําเข้าบ้านดึกแค่ไหนแต่ขอให้อยู่ในบริเวณแถวแถวนั้นนะ่ะน้องเขาก็จับกลุ่มกันไปเลน่นแล้วก็ได้ความว่า <c oughs> มีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นนะ่ะบอกว่าเฮ้ยเราไปที่แฟตใหม่ดีกว่าอืคือลักษณะแฟตเนี่ยจะเป็นแฟตแฟตน้องเขา อ, อธิบายว่าเป็นตัวโอก็คือเป็นแฟตแฟตคือมันเดินวนหากันได้นะครับผม ท่า <c oughs> นี้ในการที่ไปเนี่ยแฝดนั้ น, นจะยังไม่มีคนเข้าไปอยู่เลยและไปในเวลาเป็นช่วงเวลาของหัวค่ําล่ะซึ่งฝาค่มมืดละกว่าจะทําการบ้านกว่าจะกินข้าวเสร็จแลว้วก็จะออกมากันเนแล้วก็ขับจักรยานไปที่แฝดนี้เป็นตึกแฝดยังไม่มีใครเข้าไปใช้ยังไม่มีใครเข้าไปอยู่ออืทำเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆไมอวันที่จะมีคนเข้าไปอยู่ครับ นะครับคือจะต้องบอกว่าไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีข่าวไม่มีอะไรเพราะยังไม่เคยมีใครไปอยู่เลยอน้องเขาก็ไปเล่นกันอยู่ทางใต้และในระหว่างที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเรามาเล่นเกมวัดใจกันดีกว่าืมคือแบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะมีประมาณสี่คนสามคนสี่คนประมาณเนี้ยกลุ่มที่สองก็จะมีสามสี่คนเพเท่ากันคือน้องก็าจะมีวันเจ็ดแต่คน แต่กลุ่มของน้องเขาเนี่ยจะมีุ้นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งโตที่รายุประมาณมสิบแปดคือโตกว่าเขาเพื่อนเลยอน้องเขาเลยอุ่นใจหน่อยแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะต้องมาเดินสำรวจตึกเนี้ยคือเหมือนหาจิ๊จกเกอร์เล่นกัน่ะอืมแต่การสำรวจเฉยๆมันไม่ได้จะต้องเน้นว่าให้เข้าไปดูในห้องด้วยทุกห้องห้ามเบี้ยวถ้าใครเบี้ยวหรือใครแพ้หรือกลัว คนนั้นะทีมนันจะต้องเป็นคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอีกทีหนึ่งอั้งนี้คำว่าเด็กเนี่ยพี่แจ๊คคาว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วคนที่มีตังตรงนี้วัละสิบาทสิบกว่าบาทไอ้การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมันมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเขาก็ไม่ยอมกันเนี่ยครับไอ้กลุ่มแรกเนี่ยขึ้นไปถึงก็เดินแล้วน้องเขาจะใช้วิธีการยืนตูงกลางตรงกลางเลยนะกลางลานแล้วก็จะมองขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเป็นเงาเงาที่มันขึ้นไปข้างบนด้านบนอ่ะจะเห็นว่าเป็นคนเดินไปปุ๊บแล้วหยุด มันจะหายเข้าไปในห้องนะแล้วก็มีเสียงเปิดประตูพึ่งป้างพึ้งป้างแล้วจะเดินมาต่อชั้นแรกผ่านไปเขาก็นั่งมองกันนะว่าเฮ้ยอ้ามโค้งนะตะโกนกันนะพอขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเริ่มตะโกนไม่ได้ยินแล้วแต่จะได้ยินเสียงคนข้างบนเนี่ยคุยกันเจ้าแคแต่จับเป็นคําพูดไม่ได้แล้วก็จะป่าย์ป่ได้ยินเสียงประตูเปิดปิดเปิดปิดไล่ไปใช้เวลาระยะหนึ่งผ่านไปชั้นที่สองพอขึ้นไปถึงชั้นที่สามเขาบอกว่าเขดูอยู่ ประมาณไม่เกินสามห้องทีมแรกเนี่ยเข้าไปครับพอทีมแรกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคุยอะไรกันดังกว่าเดิมคืออยู่นั้นสามแท่นี้เสียงมันจะเบาแต่มันกลับดังกว่าเดิมพอดังกว่าเดิมเสร็จปุ๊บมันมีเสียงคือถ้าใครเคยอยู่พวกพวกแปดอย่างเงี้ยแต่ันตอกสภาพเดินเรื่อเขาแตะมันหลีดส้นอ่ะปัดปัดปัปัอบลงมาแต่หลายๆหลายๆคนประมาณสามีคนแล้วเดินแบบรีบเดินเลยนะพอลงมาถึงแ้วสามเอ้าเฮ้ แล้วทำไมไม่ขึ้นไปถึงชั้นสี่อ่ะ hmm. ทีมนี้ก็บอกไม่อ่ะแค่ชั้นสามนี่ก็พอละ hmm. เขาก็เลยบอกเอ้ยอย่างนี้ก็เลี้ยงกระเตียวได้อือ hmm. ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าพลาดแล้วครับ hmm. ทีมนั้นก็พูดมาคํานึงว่าพวกมึงขึ้นไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงกระเตียวอ hmm. อืคุณก็อ้าวเลยยังไงกันล่ะไม่เป็นไรได้อยู่แล้วพอคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคนโตอยู่ด้วยค hmm. ก็ขึ้นกันไปทำเหมือนครั้งทุกอย่างตั้งแต่หนึ่งไล่ไปสองพอขึ้นไปชั้นสามในระหว่างนี้ไม่มีการคุยอะไรกันมากนอกจากการเดินเข้าไปในห้องเปิดประตูเดินเข้าไปแล้วก็ปิดประตูคาไว้ปิดประตูเดินเข้าไปปิดตูคาไว้พอขึ้นไปชั้นสามทำเหมือนกันตั้งแต่ห้องแรกเป็นแฟกแบบเดินวนนะครับห้องแรกที่เดินเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีอะไรพอเดินหายเข้าไปปับสำรวจการเ <ๆ S 2> ดินเข้าไปเป็นห้องน้ำํำนะห้องนองเดินไปหลังบ้านเ ด, <cemetery S 2> <ๆ>ดินออกมา คนอื่นจะยังไงไม่รู้แต่สําหรับน้องจีตอนนี้ยเห็นแล้วว่าออกมาปุ๊บไอ้ห้องที่อยู่ตรงข้ามอที่มันอยู่ตรงข้ามตรงกันเลยนะครับแต่อยู่ตลอัเป็นแค่ไหนเพราะมันเป็นเดินวนกันได้ครับมันมีใบหน้าของคนโหอยู่ตรงบันเกล็ดขึ้นเหมือนพ่อแอบ ด, ดูอยู่จากในห้องอล อ, องเขาก็เลยแต่ตอนนั้นเขาคิดในใจว่าอ๋อไอ้พวกนี้เล่นแผนคไอ้พวกนี้เล่นแผนจะทําให้เราต้นกลัวแล้วต้องยอมแพ้เขาก็เดินนะ ยังไม่เฉยแต่คิดคนอื่นน่าจะเห็นเหมือนกันถ้าเป็นคนอืมแต่ยังไม่มีใครพูดอะไรไม่สนใจเดินไปห้องที่สองห้องที่สองน้องเข้าไปเข้าไปเสร็จครับสํารวจเสร็จเดินออกมาเราใบหน้านั้นอ่ะมันมาอยู่ตรงห้องตรงข้ามอีกแล้วซึ่งขัดจากหนึ่งมาสองโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามเปิดประตูเลยครับและไม่มีเสียงรองเท้าด้วยหรือถึงมันจะเดินเท้าเปล่ามันก็จะต้องมีเสียงเหมือนแบบเท้าเปล่าเหยียบพื้นอ่ะ แต่น้องเขาบอกเขไม่ได้ยินอะไรเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยมันยังไงวันแล้วมาโผล่ตรงห้องตรงข้ามแล้วมาแค่คึ้นหน้าเหมือนกลับมาแอบดูอยู่อในขณะที่อดูน้องเขาจ้องเนี่ยหน้าก็จะค่อยๆเลื่อนหลบไปนะครับมันหลบหายไ่เป็นมนเลื่อนค่อยๆแบบวูบหายเข้าไปครับใช่ครับมันแบบมันแอบดูอยู่แล้วก็หลบอ่ะครับคราน้น้องก็เข้าไปห้องที่ตามใจเขาก็เริ่มแบบเอ้ยมันยังไงวะมันจะหายคนหรือมันจะไม่ใช่คนหรือมันเป็นเหตุอะไรที่ไอ้ทีมแล้วมันจะต้องลงไปอย่างเงี้ยอือืม เข้าไปในห้องที่สามโดยที่น้องเขาพยายามอยู่รแถวประตูเพื่อที่จะมองว่ามันจะมีใครวิ่งตามมาอีกห้องหนึง่งไหมครับมองตรงฝั่งตงข้ามไม่มีเปิดประตูถ่างเอาไว้แล้วมองมาฝาั่งตงข้างลแล้วเข้าไปสารวจในห้องฝั่งนู้นไมมีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแต่พวกเขาเดิอนออกมาใบหน้าเนี่ยมันอยู่อีกแล้วมันโผล่มาแค่ถึงตรงบันเทิงแล้วเป็นอย่างนี้ไปตลอดออื<ม>แต่จัดห้องที่สามเนี่ยมันหยุดแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไหว เขาจะออกมาห้องที่สี่ห้องที่ห้าจะเข้าไปไงนะหน้าเ น, นี่ยจะอยู่ห้องที่สามแต่มันจะอยู่แบบครึ่งเดียวอ <S S S 1> ่ะแล้วโบดูเขาตลอดทุกครั้งที่เขาเข้าห้องแล้วร ะ, ะบบประตูคาไว <sh arp> เข้ า, าห้องระบบดูคาไว้ใจนเนี่ยเริ่มไม่อยากอยู่ละสํารวจจนฝั่งแรกหมดประมาณแปด้าห้องเลยนะครับคนรั่วจนเสร็จปุ๊บจะต้องเดินเลี้ยวไปฝั่งหนะึ่งจะต้องเดินเลี้ยวไปฝั่งอืมในขณะที่น้องเขาเดินเลี้ยวไป ไอใบหน้านั้นที่เขาเหมือนแบบเวลาเขาจะงกมองทีไรก็จะเห็นมันอยู่มันหายไปพี่แจ็คแต่มันจะอยู่ันตรงที่ว่าคือน้องเขาจะเดินจากฝั่งหนึง่งไปฝั่งหนึ่งก็ต้องเดินผ่านกระดาบเพื่อจะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกอืมไอใบหน้านั้นอ่ะมันย้ายไปอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของกระดาษอันลงกระดาอและแอบดูอยู่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันอตอนนี้มันออกมาจากห้องแล้วขเขารู้เลยว่าตอนนี้มันอยู่นอกห้องแล้ ว, ลวใจน้องเขาสั่งเขาบอก มันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วที่เป็นคนมันจะเคลื่อนไหวแบบไม่มีการได้ยินการเคลื่อนไหวเลยอ่ะอืาเพาก็เริ่มบอกเฮ้ยยังไงกีเนี่ยก็บอกพี่หนูหนูไม่อยากไปแล้ว อ, ะอ่ะจีเก็บอกไปก่อนไปก่อนครับไปก่อนไปก่อนอนีกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสำเร็จเนี่ยเราเดินฝั่งนี้จบเนี่ยอย่างน้อยมันก็แพ้เราแล้วใลำบากในโชเสี่ยวเราอลองก็ว่างพี่ว่ามันก็ว่างนะัะเดินเข้าไปในอันนี้คื อ, อย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บก็เริ่มเข้าจากห้องแรกค เขาเดินออกมาไอ้หน้านั้นมาอยู่ฝั่งตรงข้ามอืมอมคือมันย้ายจากฝั่ ง, ด, นนงด้านนู้นมาว่าด้านเนี้ยแล้วมาอยู่ทนันทีที่น้องเข้าห้องฝังนในทัพอ่ะ ม, มันจะอยู่ตรงข้ามและแอ บ, บดูอยู่ตรงบันเก็ตเขาก็เอาไรอยูว่วะเนี่ยเข้าไปห้องที่สองอ อ, ออกมามันจะอยู่ตรงข้ามแล้วตรงห้องที่สองเหมือนกันคือมันไล่ลําลดับตามเขาเลยออเขาว่ามันไม่ใช่คนแหละเพราะว่ามันเคลื่อนไหวอย่างไรร่องรอยเกินไปครับเขาก็เริ่มบอกพี่ถ้าพี่จะเดินจริงๆอ่ะ ที่ลงไปส่งหรืนูก่อนแล้วพี่ยขึ้นมา เ, เดินได้ไห ม, มเพราะว่ายัางไงนะค่าก็เตี๋ยวหนูยอมจ่ายหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวอืมเขาก็ถามว่ากลัวอะไรน้องก็ไม่พูดเขาขอแค่ลงไปส่งหนูก่อนพี่วันนั้นเขาเลยบอกว่าเอานี้งั้นขออีกห้องนึงก็สือว่ า, าชนะมา ล, ะละ้วแะเรียนให้พวกมันก็ต้องมันไส่เรียนก๋วยเตี๋ยวอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งน้องก็อีกห้องหนึงนง่งก็ได้พออยีกห้องหนึงอองหงหน่งเข้าไปแล้วออกมา ม, มันเหมือนเดิมตัวนั้นพี่แจ๊ค พอมันเหมือนเดิมตรงนั้นคือมีคนแอบดูอยู่น้องก็าเลยแบบไป้พี่หนูไม่เอาแล้วนะเนี่ยถ้าพี่ไม่ลงหนจะลงแล้วเนี่ยเขาก<ม>็ถามว่ามีอะไรในขณะที่กำลังยืนยืนคุยกันอยู่นะพุณแจ๊คไอ้ประตูฝั่งนู้นที่น้องเขาเข้าทุกข้อเนี่ยเขาเปิดประตูขาไว้<ม>ถูกไหมครับเขาไม่ได้ปิดเลยนะครับมันเหมือนกับพอคุยจบว่ที่ว่าโอเคนะเดี๋ยวจะลงแล้วนะต<ม>ัวเรื่องกลัวอะไรเดีไปคุยยัข้างล่างในขณะที่พูดกันอยู่เนะี่ยประตูบานนูนน้นฝั่งนู้นตั้งแต่บานแรกมันติด ปั้งปังปังปังปังปั้งไล่ทุกห้องเลยไล่ไล่ไล่ไล่ไล่เรียนกลับมาจนจะวนกลับมาถึงตัวน้องเขาน้องเขาก็คือไม่รอแล้วไงแต่มันปิดแบบไันนี้ปิดกับรวววปังปังปั้งปั้งนะมันปิดแล้วให้น้องเขาแบบพอสะดุ้งน่ะแต่ยังอึ้งกันอยู่คือเด็กยังไม่มีความคิดที่จะทําอะไรต่อมันปิดแบบปังปังปังปังเหมือนคนปิดด้วยอารมณ์แต่มันปิดทีละห้องโดยที่มีคนปิดและไล่เลียนมาจนจะถึงน้องเขาเขาเลยตัดสินใจ วิ่งล ง, งล่างกันเลยอืเพราวิ่งลงไปถึงเพื่อนก็ถามว่ามเจออะไรครับเจออะไรกันน้องเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าไม่มีใครเห็นเราพี่ตะกี้เห็นคนเดียวอืทันทีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นผู้หญิงด้วยในกลุ่มเนี่ยที่ไปทีมเดียวกันเนี่ยเขาบอกเราก็เห็นแต่เราไม่กล้าพูดอืเรามองอยู่นานแล้วครับก็เลยได้ความว่าตกลงทุกคนเจออย่างนี้ก็เลยกลับระถามทีกฝั่งว่าและไอ้ที่พวกมึงลงมาตอนแรกพวกมึงเจออะไร ไอ้คนนั้นบอกเจออย่างเงี้ยตั้งแต่สามห้องแรกแล้วเลยไม่ไปต่ออื <Ừ. S 1> ตัดสินใจเจอลงมาโอเคทุกคนจบแค่นั้นกลับบ้านหาคําตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร <c oughs> อีกวันนึ่งออกมาน้องเขาก็มานัดเล่นกันคือเด็กอะ่ะวันหนึ่งเรื่องมันผ่านไปมันก็ลืมถูกไว้ที่ <c oughs> น้องออกมานั่งเล่นออกมานั่งเล่นแต่แต่ไม่ไปแล้วนะคือ <c oughs> ไม่ไปตึกนั้นแหละว <c oughs> ไม่ไปแล้ว <c oughs> <ๆ>เขาก็มานั่งเล่นกันมันจะมีไอ้สนามลานลานลานข้างหน้าเป็ลานสนามหญ้าเอาไว้สําหรับ เด็กๆเกขาวิ่งเล่นกันครับเขาก็ลงมาถึงแล้วขีจั ก, กรยานขี่อะไรกันางเงี้ยแล้วก็นัดเจอกันว่าเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเต่าญี่ปุ่นมาอวดเผืออ่อเฮ้เนี่ยเด็กๆกันนะแค่เต่าญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องที่ให้ถกเถียงให้คุยกันได้นะเขาก็ไปรวมตัวนะัดเจอแล้เดี๋ยวเจอกันตรงนี้นะหน้าแฟดนะตรงนี้เนดะี๋ยวจะมีคนเ้าเต่าไอ้เพื่อนเราเนี่ยมันจะละ้อเต่ามาให้ดูเขาก็ลงไปถึงเป็นนั่งรออยู่สามคนมันจะเป็นน้องอธิบายเป็นเรื่องของไอ้ที่นั่งอ่ะผม เรืองลึภาพไม่ออกเหมือนกันเขาบอกเป็นที่นั่งเล่นคล้ายเรียวไวกิ้งเนี้ยนะฮะนั่งเล่นกันก็นั่งโยกอยู่ในขณะที่ฟ้าเริ่มมืดแหละแต่มันเป็นที่ที่เขาวิ่งเล่นกันทุกวันไงแล้วมันเป็นคือเขาเขาไม่ไม่ไม่รู้สึกกลัวแล้วมันก็แค่สลัวสรัวนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรผมจําไม่ได้แล้ะเงามันก็แบบคลุมไปอ่ะจากแสงไฟจากตึกสองหาเราก็คุมไปก็มืดนั่งเล่นไปนั่งเล่นมาเขาหันไปมองทางด้านซ้ายมืออืในหมู่มืดมันมีอ่า มีหมาสีขาวอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งในเขตบริเวณบ้านพักทหอ่าผมผู้ประชากรภัยนะ่าฮะนั่นก็รายการตรงนั้นอืมอืมอมเขาไม่ให้เขาไม่ให้เลี้ยงไม่ให้เลียงไม่ให้เลี้ยงสัตแน่นอนไม่ให้เรี้ยงหมาอืมเพราะว่ามันจะเกิดความรังคาลครับถ้าเกิดมันเห่ามาอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยมันของใครวะแล้วมันหมาสีขาวไม่เคยเห็นเลยเขาก็นั่งจ้องจ้องจ้องในขณะที่จ้องกันทั้งหมดเนี่ยพยายามเพ่งยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งชัดเนี่ย อืเขาเห็นว่าจากขาเขามองขึ้นไปเนี่ยเป็นคนไม่ใส่รองเท้าเพราะอยู่ระยะไม่ไกลมากมองขึ้นมาถึงตัวคือไม่ใส่เสื้อแต่พอมองขึ้นมาด้านบนคนแรกเป็นน้องจีที่พูดคําว่าเฮ้ยไม่มีหัวออืพี่หัวขาดแล้วเพื่อนเขาสองคนก็หันมาจากที่แบบกําลังเพ่งๆแล้วเพ่ง้งไม่เพ่งบ้างก็หันมามองแล้วก็พูดพร้อมกันว่าผีหัวขาดออืนั่นหมายถึงเราสามคนแล้วที่เห็นครับแล้วก็มีเสียงเพื่อนเขาเนี่ยเดินลงมาจากใส่เดินมา เสงองเท้าเดินมาคุยกันมารองเท้าด้วยคุยกันด้วยลงมาถึงแล้วมายืนเพอที่ยืนสามคนเนี้ยพูดซ้ำๆอยู่ของสองครั้งเขาก็มองไปอ ม, มองไปุดเดียวกันเขาก็เห็นว่าเป็นเหมือนกันเขาก็ตะโกนว่าผีคุกวาา่าค่ะทุกคนเลยแยกย้ายกันเลยกลับเลยวันนั้นครับน้องเขาบังหนอนคิดเอ๊ะทาไมเจอสองวันติดเลยนะแล้วตั้งแต่ที่บ้านแล้วพอมาเจออยู่บ้านนี้ก็ยังจะเจออีกอก็เลยตัดสินใจคุยให้กับป้าเขาฟังเพราะว่าเขามาพักบ้านป้าป้าเขาก็พูดว่า เอ้ ه, คนนี้เขามีอยู่นานแล้วนะอืม hmm. เราไปทําอะไรกันผิดหรือเปล่าเพราถึงเล่นตามเล่นงานพวกเราตั้งแต่ที่เปิดใหม่จนมาถึงที่เนี่ยน่าสนานะ hmm. น้องเขาบอกว่าเขาไม่ไทําอะไรนะไม่ท้าทายออืมเขาบอกว่าณอุนาทีที่เขารับถึงฟังเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ท้าทายนะ hmm. ไม่ได้ทนะ้าทายทุกอย่างหนึ่งไม่ไทําอะไรเกี่ยวกับคือไม่ได้เป็นผะู้ใดลบหลู่อ่ะแต่การกระทำของเขาจะไปจะไปกับเขาเพาเสือนทําให้โยงญาณนะ hmm. เขาลำคาหรือเปล่า hmm. อันนี้เขาไม่แน่ใจ แต่สําหรับประวัติตรงนั้นก็คือในขณะที่มันเป็นบรรพราชการเก่าลงมามันเคยมีการคล้ายๆว่ามาต้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็ฆ่า<ข>ตัดหัวผู้ชายคนนี้ไปจนนับตั้งแต่วันนั้นมาจนทุกวันเนี้ยก็ยังไม่เคยมีใครเจอหัวนะครับว่าหัวเขาไปไหนก็จะมีคนเห็นเรื่อยๆว่าจะเป็นโรงยานตรงเนี้ยมาตามหาหัวของตัวเองอตลอดจนหายไปเป็นสีป่ปีแล้วส อ, องสามปีแ ล, แ, ลแล้วแล้วก็เพิ่งมีรุ่นของน้องกีเนี่ เขามาเจอนั่นแหละครับเรื่องก็มีประมาณนี้นมาเจอ เ, เพราะาว่าอาจจะเป็นเพราะเหมือนไปไปส ก, กิดไปจูนหรือไปทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอย่างนั้นออให้เขาได้ให้เขาได้ออกมาออกม า, าแสดงตัวใหม่ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนี้นมันมีการเข้ามาป้นกันแล้วก็พอโดนจับได้หรือว่าเอขาเขารู้ตัวนี่คือเขาตัดหัวเลยฮะ น, นี่คือเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมฮะ เป็นอาเป็นเรื่องเล่าจากข่าอของอน้องกี๋เขาเล่ามาว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่นานแล้วพวาคนที่โดนฆ่าเนี่ยเขาโดนฆ่ากับหัวด้วย<อ>ในาการที่มีการป<อ>นกันหรือว่าจะเป็นทะเลาะวิวาสเลย ไ, ไม่แน่ใจครับโอ้โหแต่กลุ่มน้องเขาเจินหนักนะเขาเล่าเรื่องนี้ถ้าฟังดีๆกูฟังคื้ยน่ากลัวเลเนี่ย เพราะวันสองวันติดนะถ้าเป็นเราเราเป็นเด็กอะเรานี้ถเท้าเราเป็นเด็กมันก็เกินจะรับเหมือนกันเลยวิจัยงวันติดใช่แล้วน้องพอเพิ่อจะมาพักสมองจากการที่เขาเจอเหตุการณ์ของของพี่ผู้หญิงคนเนี้ยที่บ้านแล้วน้องคนเนี้ยเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยหลังจากที่ว่าอ่าทําธุรกิจอะไรแล้วก็ย้ายไปทำที่อเมริกาก็เอาอตุ๊กตาของพี่ผู้หญิงคนนี้ยไปอเมริกาก็มีคนที่นู่นเจอนะครับเดี๋ยวเอาไว้เข้าหน้าค่อยมาเล่าให้ฟังกันแสดงว่าไปไปกับตุ๊กตาใช่ครับับตุ๊กตา มีคนเห็นหลายทางเลยทั้งนั่งในรถทั้งอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งนะครับว่าตุ๊กตาเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของของร่างแล้ววิญญาณสามารถเข้าไปสิงเข้าไปอยู่ได้ใช่ไหมอย่างฝรั่งก็มีอย่างอันนาเบลตุ๊กตาผีฝรั่ง อันนี้ก็เป็นเหมือนก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ของไทยเราก็จะมีเหมือนกับตุ๊กตาลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยที่มีการเชิญทั้งเทพทั้งวิญญาณทอะไรเนี่ยเข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาโอ้โหเฮ้ยมันนี่แต่เรื่องมันดูมันโหดทุกเรื่องเลยนะ <c oughs> เอ้ยยิ่งจากรายการยิ่งหลอนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วคุณคิงมานี่ยี่ห้อนี้นะคุณผู้ฟังเราผมบอกเลยว่า ไม่เคยผิดหวังกับเขาจริงๆนะโอ้เอามาแต่ละเรื่องแบบครับแล้วเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากการฟังมาแล้วมันเล่าต่อได้แบบโหเก่งอ่ะคุณคุณคุณเป็นคนมีพรสวรรค์มากเรื่องนี้นะฮ ะ, ข, ะอขอบคุณนะครับถ้าท่านไฟังนะพยายามยำน้องเขาหน่อยเพราะว่าเราจอมมาเล่าเนี่ย<ข>เรากลัวว่ารายละเอียดตรงไหนมันจะไม่ได้พ อ, อไม่ได้เนร็จผมก็ถามว่าบางอย่างมันบางอย่างที่เขาน้องเขเล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาเล่านะเพราะว่าผมเห็นว่า โอเคตรงนี้มันเป็นจุดที่จะบอกถึงสถานที่มากเกินไปผมผมก็ไม่พูดอะไรเงี่ยโอ้โหแต่เข้าใจอ่ะพอบอกว่าเป็นสถานที่ราชการเลยพวกนี้มันไม่สามารถที่จะระบุอะไรได้ได้ได้มากมายอยู่ลครับนะฮะแต่จริงจริงแล้วสถานที่ราชการนะคุณผู้ฟังคุณคิงครับมันมันน่ากลัวนั่นคืนอน่ะเอาจริงๆเอาพูดกันแบบบ้านๆตรงๆเลยสมยัยก่อนผมเคยจัดรายการอยู่ในค่ายทหารากันคืนนะฮะเช่นคืนตีสองอย่างเนี้ย โอ้โหอยากจะบอกว่า uh huh. เอ้าจริงจริงน่ากลัวแล้วก็ค่าสถานมีหลายที่ไม่ต้องห่วงมีหลายที่และทุกที่ผมบอกเลยว่ากลางคืนบรรยากาศเดียวกันหมดคือเงียบสงัดและวังเวงใช่ฮะจริงๆมันเป็นกฎของเขาพี่แจ๊คในเวลาที่พอถึงเวลาตกหัวค่าประมาณสักอาจจะเอาตีตีเป็นเวลาสักสองทุ่มไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มงดให้งดใช้เสียงแหละครับ จะไม่มีการทุกผ่านจะไม่มีอะไรมันจะดูแล้วมันจะน่ากลัวนะถ้าใครเคยอยู่ตามตามอาการ่ายต่างๆตามบ้านักต่างๆถ้าเรามีญาติมีอะไรเป็นอย่างเงี้ยอย่างผมก็มีญาติเป็นเป็นทางหาไปตกคืนคือเราจะเดินไปซื้ออะไรเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนอีกโลกนึงแต่ที่เราอยู่ข้างนอกครับทั้งมันที่นี่มันเงียบจังเลยโอ้แล้วคุณคิงมานะเมื่อกี้นะเอาจริงจระหว่างที่กําลังฟังเรื่องของคุณคิงอยู่ไม่ใช่เป็นแค่คุณผู้ฟังอย่างเดียวนะของผมก็เป็นนะ ให้ผมนี่ใช้เน็ตแรงมากนะฮะจากไวไฟของที่นี่นะเมื่อกี้สัญญาณที่เราถ่ายทอดสดอยู่คุณคิงมันหายไปช่วงระยะเวลาหนึง่งระหว่างที่คุณคิงเล่าอยู่อ่ะมันหายไปเลยนะแล้วผมต้องออกไปแล้วเข้าไปใหม่แล้วเป็นกันทุกคนเมือ่อกี้ไปหมด<อ>ผมมากอย่างนี้เละผมจะเห็นคุณผู้ฟังเป็นอย่างนี้บ่อยแต่ผมจะไม่เคยเป็นเพราะผมจะใช้เน็ตจากที่นี่ที่นี่เน็ตแรงมากครับอ๋อ มันค้างมันจะมีรูปรูปหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่แจ๊คหลังจากปิดรายการนี่เลยคือวันนั้นนะผมนั่งคุยกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนปฏิบัติสายธรรมะด้วยกันออืแล้วเขาอยู่เมืองนอกแล้วบังเอิญเขาบอกว่าขออนุญาตตัววีดีโอได้ไหมผมก็คงคอนเซปต์เดิมว่นงั้นผมไม่แสดงตัวนะผก็ไป่ใส่เขาอยากจะดูแล้วก็ดูแล้วก็คุยถึงว่าบรรยากาศบ้านเขาว่าเขานั่งปฏิบัติตอนนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ผมก็อ๋อพี่นั่งสมาธิตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับเราก็รู้กันไงคุยกัน ท่านี้ในขณะที่เขามองกล้องมาทางฝั่งผมออืเขาบอกคือมันจะมีไอ้แสงไฟจากม่านผมอะ่ะก็จะให้ฟอเห็นอะไรลำไยลไยได้นในห้องเขาก็เห็นวนะ่ามันเป็นผู้หญิงผมยาวเพราะงงคุณทิงผู้หญิงผมยาวที่ไหนมายืนอยู่ตรงนั้นที่เป็นแสงไฟนะั่นแหละผมก็บอกอ่าไม่มีนะครับเพราะว่าแฟนผมนอนแล้วและผมเองก็นั่งอยู่ที่เก้าอีนะ้เนี่ยคนเดียวอืเขาก็เสียใจจังเลยวันนี้พี่ไม่ได้นอน โทรศัพท์ไว้ใกล้ตัว เ, วเดี๋ยวเดี๋ เ, ดเราก็คุยจนจบในวันนั้นอีกวันหนึ่งมาเขาถือโทรศัพท์ไว้ข้างมือเลยนะพี่แด๊คือในขณะที่คุยกับผมผ่านคอมนะถือโทรศัพท์ไว้ข้างมือคุยอยู่ไม่พูดพร่ำตามเพลงเลยนะพี่เขายกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแล้วส่งรูปมาให้ผมพี่แด๊ ม, มันเป็นหน้าผู้หญิงสามหน้าลอยอยู่ในความมืดชัดเจนมากเลยเฮ้ยไม่ใช่ส่งให้ตอนนี้เลยด้วยพีไม่ใช่คนในบ้าน่ะ คุณคิงก็แพนแค่นั้นครับแล้วแพนอนหรือผมมานนั่งอยู่ที่เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้อ่าเก้าอี้แบบพับอะ่ะก็ยอด้กลางออกแล้วก็นอนเอ็นงได้ไงครับแล้วผมผมก็ไม่ได้เป็นคนถ่ายคือพี่เขาถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์จากจากต่างประเทศแล้วส่งรูปนี้ก็มาดูบอกคุณกิงเห็นอะไรในนี้บ้าง ผมก็ดูผมว่าผมชออ็อกอ่ะคือมันเป็นสามหน้าเรียงกันหน้าแรกเนี่ยจะมีเหมือนมีแสงของหลอดไปเนี่ยติดอยู่ด้วยเลยดูยไม่คยชัดแต่รู้ว่าเป็นโครงหน้า<อ>แล้วก็มีหน้าที่สองอยืนเรียงต่อจากกันและหน้าที่สามอยู่ใกล้เหมือนใกล้จอที่สุดอโอออยากเห็นอะ่ะจะให้เลยครับอ ย, อยากเห็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องให้อ่าเจ้าวี่อ่าโพสตลงไม่แน่ใจว่าน้องหลับไปหรื อ, อยังไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองเดีวลองดูอีกที นายคุณคิงถ้ายังไงแล้วแต่เดี๋ยวเราวางสายเสร็จปุ๊บรบกวนคุณคิงส่งมาให้ดูทีจะให้ผมส่งตอนนี wow ้เลยพี so okay, ่จะได้วิจารณ์กันเลยเอาไหมครับเอมันต้องโพสต์ไงมันต้องใส่ไลน์นุ่งไลายน้ําอะไรอย่างนี้ก่อนกันการถูกเอาผ้าไปใช้อันนี้เราต้องขอได้แบบงี้นิดนึงคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าอก่อนหน้าเนี้ยก็มีอหลายเว็บขอบคุณมากๆนะฮะก็เอาเราไปอพูดถึงเอาไปบอกเอาไปกล่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับก็รู้สึก โอ๊ยน้อยใจนนึงว่าเอ๊ะไม่ให้เคยดิดรายการเลยก็มีก็มีก็มีก็มีแต่ก็คือต้องขอแล้วอด้ครับแล้วตัวนี้พี่จมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ผมสงสัยอันนี้คือสงสัยส่วนตัวนะครับไม่ได้ชักนํำไม่ได้ชักจูงเลยที่ผมบอกเวลาผมคุยโทรศัพท์กับใครไม่ใช่แต่เล่าเรื่องผีนะะอคุยกับแม่แม่ก็ยังถามว่าเฮ้ยผู้หญิงที่ไหนมาพูดอยู่ข้างวะครับจะเป็นแบบอยู่อยู่างตลอดครับ บีก็เป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบเหมือนคนผู้หญิงสองสคนคุคคยกันแล้วก็ชิคก้าซ่าแล้วหัวเราะจนมาพี่คนนี้ถ่ายรูปผมเ ผ, ผมเลยรู้ควาว่าอ่อชืออะไรจริงๆแล้วถ้าถ้าอยู่มาจากไหนคื อ, อ, อ ถ, ถ้ า, ถาอยู่อววอเอนเ่งวนเ้ื่อวานวาน่อวา่อวม่อานเมื่อมือวาวา่วานเมอานเือววาเอน่อาน่อวมวานอว่วน่อวเมื่านววอเ่ ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องกระโดดไปตรงนู้นมันจะมันจะมันจะวุ่นวายนิด น, นึงนะฮะปกติแล้วมันจะดูสามารถดูหน้าหน้าวิดีโอที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยได้เลยมันสามารถตัดสลับได้เลยไม่เป็นไรฮะก็ขอส่งมาดูก่อนนะฮะแล้วก็ขอวิเคราะห์ขอดูแล้วก็เดี๋ยวให้น้องวิวีลองใส่ลายน้ำดูแล้วก็เดี๋ยวลองโพสต์ลงหน้าแฟนเพจเด e g h o ส t r ดี i อถ้าคืนนี้ <S <S ไม่ได้โพสลงแฟนเพจคุณผู้ฟังอดใจรอนะ นะฮะอดใจรอแล้วก็อยากให้เข้าใจพวกเรานิดนึงนะฮะครับเออได้คุณคิงโอ้มาทุกทีนี่มีแต่เรื่องแบบนะเมื่อกี้ก็มีเสียงอะไรว่รู้๊ั๊งปุงตังเยอะลพี่เออนั่นแหละผมไม่อยากทักเองอะทักไปเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเอาเป็นว่ามันอาจจะเป็นแค่เสียงที่มัน แท่บเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมัน้องเล่นปกตินะฮะเออได้ครับคุณเคง ย, ยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณมาก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆชื่อนี้ยี่ห้อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงจริงนะฮะขอบคุณที่มาถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญแทบนี่ต้องบอกว่าแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะคนคนนี้ยโอ้สุดยอดมาก <c oughs> นะฮ ะ, ะ, ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็รอฟังแทบจะทุกสัปดาห์เหมือนกัน นะคำถามแรกที่เริ่มจากรายการเนี่ยจะมีชัดมาถามก่อนเลยวันนี้คุณคิงมาไหมพี่คิงมาไหมคะพี่คิงมาไหมครับนี่เป็นโลโก้แล้วนะฮะได้คุณคิงยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณคิงนะครับผมเช่นนันไปดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับไม่ป่วยผมเองที่ตอนนี้เป็นและเพิ่งหายก็ดีขึ้นมาเร่อยแต่ว่ายังมีการตกค้างฮะช่วงนี้ผมห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาห้ามตายครับช่วงนี้ไม่ได้เลยผมช่วงนี้ต้องแบบสกปองอย่างเดียวเลยผม ครับโอเคขอบคุณมากมากครับคุณคิงสวัสดีครับอย่าลืมส่งรูปมานะถจะส่งให้เลยครับได้ครับขอบคุณครับ